จงพากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเธอหัวข้อที่8เหมือนมะลิเครือปล่อยดอกพระพุทธภาสิทธิวัสสิกาวิยปุกานิมัชวานิปะมุนจติเอวังราคันจะโทสันจะ วิปปมุนเจทะพิกขโวแปลว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงปลดเปลื้องราคะและโทสะนั้นเสียเหมือนมะลิเครือปล่อยดอกทั้งหลายที่เหี่ยวแห้งอธิบายความว่าไม้ดอกทุกชนิดไม่เพียงแต่มะลิเครือเท่านั้นเมื่อดอกบานแล้วดำรงอยู่พอสมควรแล้วมันก็เหี่ยวแห้งและร่วงหล่นไปโดยธรรมดา ผู้มีปัญญามองเห็นธรรมชาติอย่างนี้แล้วนำมาเปรียบเทียบกับตนว่ามีอะไรเป็นสิ่งโสโครกอยู่ในจิตบ้างก็สลัดสิ่งนั้นออกเสียสำหรับภิกษุราคะและโทสะเป็นสิ่งโสโครกแห่งจิตพระาศาสดาทรงสอนให้สลัดราคะและโทสั้นทิ้งเสียเมื่อสลัดทิ้งได้แล้วก็จะมีความสุขกายสบายใจและปลอดโปร่ง มีความสงบเย็นเป็นผลตอบแทนเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามทรงปราบภิกษุห0 0รูปมีเรื่องย่อดังนี้ภิกษุเหล่านั้นเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแลบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่าเห็นดอกมะลิที่บานแต่เช้าตรู่หลุดจากขั้วในเวลาเย็น จึงพากันพยายามด้วยหวังว่าพวกเราจะหลุดพ้นจากกิเลสมีราคะเป็นต้นก่อนดอกมะลิจะหล่นจากขั้วพระศ า, ศาสดาทรงเห็นภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่าภิกษุควรพยายามเพื่อหลุดพ้นจากวัฏฏทุกข์ให้ได้หลุดดอกไม้ที่หลุดจากขั้วฉะนั้นดังนี้แล้วตรัดต่อไปว่าวัตสิกาวิยะปุปปภานิเป็นอาทิ มีนัยยะดังพจน า, นามาแล้วเมื่อจบพระธรรมเทศนาภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดบรรลุอรหัตผลนสมัยนั้นผู้มีปัญญาท่านรู้จักพิจารณาไม่เห็นสิ่งทั้งหลายที่อยู่ใกล้ตัวหรือเฉพาะหน้าเนี่ยท่านก็สามารถที่จะดมเข้ามาเป็นโอปะนัจโกมาพิจารณาเนี่ยเหมือนที่ท่านเห็นแค่ดอกไม้ ที่มันเป็นช่อขึ้นมาบานแล้วก็ล่วงไปเนี่ยถ้าอยากเอาสิ่งนั้นมาเตือนจิตเตือนใจตนเองเนี่ยว่าจิตใจของเรานเนี่ยที่เต็มไปด้วยราคะาทุะรข์ละโมหะเนี่ย เ, เราจะต้องสำรอกหรือบันออกจากใจเนี่ยให้ได้ก่อนที่ดอกไม้มันจะหล่นจากขั้วอย่างั้นน่กเป็นข้อเตือนใจในบทนี้ ผู้คายโลกามิตรพระพุทธภาสิตสันตกายโยสันตะวาโจสันตะมนโนสุสมาหิโตวันตะโลกาพิโสภิกขุอุปสันโตติวัจติแปลว่าภิกษุผู้มีกายสงบวาจาสงบใจสงบมีใจตั้งมั่นด้วยดีมีโลกามิตรอันคายแล้วเราเรียกว่าเป็นผู้สงบพระงับ ผู้มีกายสงบคือเว้นจากทุจริตทางกายประพฤติอยู่ในสุจริตทางกายมีวาจาสงบคือเว้นจากทุจริตทางวาจาประพฤติอยู่ในสุจริตทางวาจามีใจสงบคือเว้นจากทุจริตทางใจประพฤติอยู่ในสุจริตทางใจมีใจมั่นคงมีใจมีสมาธิต่างโดยอุปาจาระและอัปปนาข้อว่า มีโลกามิตรอันคายแล้วเพึงทราบโลกามิตรก่อนโลกามิตรแปลว่าเหยื่อของโลกเครื่องล่อของโล ก, โ, ล ก, โ, ลกโดยชื่อหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะอันน่าใคร่หน้าปรารถนาเป็นที่รัดรึงใจยั่วยวนใจให้หลงติดอยู่เพราะติดเหยื่อของโลกคือรูปเป็นต้นนี้เองสัตว์ทั้งหลายจึงหมกมุ่นวนเวียนในสังสารวัฏไม่พ้นไปจากทุกข์ ภิกษุผู้สงบกายวาจาใจมีใจตั้งมั่นคลายโลกามิตรเสียได้นี่แหลพระาศาสดาตรัสว่าเป็นผู้เข้าไปสงบประงับพระผู้มีพระภาคทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารภพระสันตกายมีเรื่องย่อดังนี้พระสันตะกายแปลว่าผู้มีกายสงบ ท่านผู้นี้ไม่มีการขนองมือขนองเท้าเลยเว้นจากการบิดกายเป็นผู้มีอัตภาพสงบจริงๆได้ยินว่าพระเถระนั้นมาจากกาเนิดราชสีก็ธรรมดาราชสีเมื่อนอนย่อมวางเท้าและหางไว้เป็นที่เรียบร้อยเมื่อตื่นก็สำรวจดูเท้าและหางของตนถ้าเห็นว่าเคลื่อนที่ไปก็จะรู้สึกเสียใจว่า นอนไม่เรียบร้อยไม่สมแก่ชาติโคตรของตนดังนี้แล้วจะลงโทษตัวเองโดยการนอนอดอาหารไปอีกเจ็ดวันเมื่อครบเจ็ดวันแล้วลุกขึ้นเห็นอวัยวะทุกส่วนเรียบร้อยดีเป็นปกติมันก็จะยินดีว่าการกระทําของเราเหมาะสมแก่ชาติโคตรของเราดังนี้แล้วออกจากถ้าที่อาศัยบิดกายชรํระลางดูทิศ ท, ทั้งหลาย บันรือสีหานาฏสามครั้งแล้วหลีกไปหากินภิกษุทั้งหลายเห็นความประพฤติอันเรียบร้อยของพระสันตกายนั้นแล้วกราบทูลพระศาสดาว่าภิกษุผู้มีปกติเรียบร้อยเช่นนี้พวกข้าพระองค์ไม่เคยเห็นเลยการขนองมือเท้าและการบิดกายก็มิได้มีแก่พระสันตกายนั้นพระศาสดาตรัสว่าธรรมดาภิกษุควรเป็นผู้สงบ ทวารทั้งหลายมีกายทวารเป็นต้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าสันตากายโยสันตวาโจโเป็นอาทิมีนัยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาพระสันตากายได้บรรลุพระอระหัตผลนี่ก็คือผลอันเกิดขึ้นจากการสํารวมกายคือกายสงบ แม้จะเคลื่อนไหวอวัย ว, วะต่างๆก็มีสติในการเคลื่อนไหวมีการสงบอยู่ตลอดเนี่ยแม้มันจะเคลื่อนก็เคลื่อนด้วยความสงบมีสมณะสารูปังนั้นแหละเนี่ยคอยสำรวมอยู่ตลอดภิกษุผู้สำรวมย่อมผลจากอาศะได้เนี่ยพุทธภาษิตบางแห่งที่เราได้ยินเนี่ย การไม่สํารวมเป็นเหตุแห่งกุศลทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญมากขึ้นได้ท่านภิกษุจึงเป็นผู้ที่ควรสํารวมดังที่ข้อปฏิบัติไม่ผิดที่เราคุ้นเคยกันดีการสํารวมสังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดหรือ โพชเนมัตัญยุตาชาคุริยานุโยกที่เราคุ้นเคยกันดีสิ่งเหล่านี้แหละเอามาเตือนสติหรือเตือนจิตเตือนใจของเราจะได้เกิดการสำรวมการสำรวมนี้ไม่ธรรมดานีแม่เทวดาก็อนุโมทนาสาธุด้วยนยอย่าว่าแต่ ม, มนุษย์เลยสิบเตือนตนด้วยตนพระพุทธภาษิตอัตนาโจทยัตาหนัง ปฏิมังเสตมัตตนาโสอตตคุตโตสติมาสุขขังภิกุวิหาหิสิอัตตาหิอัตโนนาโถอัตตาหิอัตโนคติตัสมาสยามะอัตนานังอัตสังพัทธังววาณิโชแปลว่าท่านจงเตือนตนด้วยตนเองจงพิจารณาตนด้วยตนภิกษุผู้มีสติรักษาตนแล้วจะอยู่สบาย ตนแลเป็นที่พึ่งของตนตนแลเป็นคติของตนเพราะฉะนั้นจงระวังสำรวมตนเหมือนพ่อค้าระวังม้าดีไว้ฉะนั้นโดยปกติคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีใครตักเตือนเพราะกลัวเขาโกรธบ้างเพราะเกรงใจบ้างเพราะไม่คุ้นเคยกันบ้างอันหนึ่งนึกว่า ถ้าเตือนแล้วเขาถือเอาตามก็ดีไปถ้าเขาไม่ถือเอาตามก็ไร้ประโยชน์ยิ่งคนที่มียศมีศักดิ์มากยิ่งไม่ค่อยมีใครกล้าตักเตือนสั่งสอนมีแต่ขุนพลอยพยักพูดอะไรทำอะไรถ้าเขาเห็นด้วยเขาก็สนับสนุนอย่างออกหน้าออกตาถ้าเขาไม่เห็นด้วยเขาก็เฉยเสียจึงรู้ยากว่าสิ่งที่ตนทำไปพูดไปถูกหรือผิดสมควรเพียงใด อำนาจราชศัก์ความเกรงกลัวของคนทั้งหลายมาเป็นสิ่งบังความจริงเอาไวา้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วต้องหมั่นเตือนตนด้วยตนหมั่นพิจารณาตนด้วยตนสิ่งที่ช่วยเตือนตนได้ดีอย่างยิ่งประการหนึ่งคือหนังสือคนชอบอ่านหนังสือที่มีประโยชน์จึงเหมือนมีเพื่อนที่คอยแนะประโยชน์อยู่หลายคนเรียกว่ามีอยู่ทุกด้านหนังสือจะบอกว่า ทำอย่างไรดีทำอย่างไรไม่ดีพร้อมทั้งตัวอย่างของคนที่ดีและคนที่ไม่ดีคนที่อ่านหนังสือมากมักจะเป็นคนมีนิสัยดีน่าคบเพราะหนังสือทําให้เขาแก้ไขตัวเองอยู่เสมอผู้มีปัญญามีสติย่อมมันพิจารณาตนอยู่เสมอทั้งการกระทําคําพูดและความรู้สึกนึกคิดเมื่อเห็นว่าอะไรดีก็รักษาไว้ส่งเสริมให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป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 ตั้งใจว่าจะรักษาไว้และทําให้ดียิ่งขึ้นไปในวันรุ่งขึ้นสําหรับพระนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาเนืองๆว่า 1. บัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสแล้วอาการกิริยาใดๆของสมณนะเราต้องทําอาการกิริยานั้นๆ 2. การเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่นคือต้องอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่เราควรทําตนให้เป็นคนเลี้ยงง่าย 3. อาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราควรทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกมิใช่เพียงเท่านี้ 4. ตัวเราเองติเตียนตัวเราเองเรื่องศีลได้หรือไม่ 5. เพื่อนร่วมพรหมจรรย์ผู้รู้พิจารณาแล้วติเตียนเราเรื่องศีลได้หรือไม่ 6. เราต้องพัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่ชอบใจทั้งปวง 7. เรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมทำกรรมใดว้ายดีหรือชั่วก็ตามย่อมต้องรับผลแห่งกรรมนั้น 8. วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ 9. เรายินดีพอใจในที่สงัดหรือไม่ 10. คุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่จะทำให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขินเมื่อเพื่อนบันประชิตถามในภายหลัง พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าสมณสัญญาทั้งสิบประการนี้บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆอันหนึ่งทรงแสดงว่าแม้เพียงเจ็ดประการแรกหากบุคคลอบรมกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลทรทำเจประการให้บริบูรณ์ได้ทรเจ7ประการนั้นคือ 1. ย่อมเป็นผู้กระทำและประพฤติติดต่อในศีลทั้งหลายเป็นนิจ 2. เป็นผู้ไม่เพ่งเลงคือไม่โลภ 3. เป็นผู้ไม่เบียดเบียนใคร 4. เป็นผู้ไม่ดูหมิ่นคนอื่น 5. เป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษา 6. เป็นผู้พิจารณาเห็นประโยชน์ในบริขารเครื่องเลี้ยงชีวิต 7. เป็นผู้มีความเพียรสม่ำเสมอนี่คือธรรมเจ็ดประการอันเป็นธรรมที่เกิดตาม สมณสัญญาเจ็ดประการขึ้นมาคือมีสมณสัญญาเจ็ดประการแล้วทำอันดีทั้งเจประการดังกล่าวมาย่อมเกิดตามขึ้นมาด้วยภิกษุผู้มีปกติพิจารณาตนเตือนตนอยู่เนืองนิดมีสติคุ้มครองตนย่อมอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเพราะไม่มีกิเลสเครื่องกวนใจพระพุทธองค์ทรงแสดงต่อไปว่าตนเป็นที่พึ่งของตนเป็นคติของตน เป็นที่พึ่งในการทำความดีในการเว้นความชั่วคนอื่นเป็นเพียงผู้แนะนำสั่งสอนเท่านั้นส่วนความเพียรพยายามตนต้องเป็นผู้ทำเองต้องพึ่งตนเองส่วนข้อว่าตนเป็นคติของตนนั้นอธิกถาแก้ว่าเป็นคติคือเป็นที่พำนักเป็นที่พึ่งของตน ในภาษาอังกฤษมีภาษาอังกฤษว่า Cell is the rod of cell เซลล์ห l ือเซ e ล์อ f ส l l อะรี l เควรจะแปลเป็นไทยว่าตนนั่นแลเป็นผู้ปกครองตนเองตนเป็นที่พึ่งของตนคือแปลนาโถ ว, ว่าปกครองแปลคติว่าที่พึ่งอย่างไรก็ตามคำทั้งสองนี้น่าจะเป็นไวยพ์ของกันและกันได้ไวยพ์คือคำที่ต่างกันแต่มีความหมายคล้ายคลึงกัน หรือเหมือนกันตามตัวอักษรคติแปลว่าการไปทางไปหรือหลักมีภาษาอังกฤษว่า g o i n g หรือ d e s t i n g p r i n c i p โดยในยะนี้อัตตาหิอัตโนโคติน่าจะแปลว่าตนเป็นหลักของตนก็ได้เราพูดว่าข้อความนี้หรือคำนี้เป็นคติมีคติก็คือคาหรือข้อความที่ถือเป็นหลักได้ถือเป็นหลักในการดำเนินตามได้ เราพูดว่าคนมีอุดมคติแปลว่ามีหลักวงเล็บคือทางใจหมายถึงทางใจสูงมีแนวการดำเนินชีวิตสูงมีความมุ่งหมายสูงคติที่แปลว่าการไปหรือทางไปเช่นในพระพุทธภาษิตว่าตัดสมาสตัญจะอสตัญจะน า, นานาโหติอิโตคติเท่ากับสัตตบรุษและอสัตตบรุษมีทางไปต่างกัน อสัตตบรุษไปนรกส่วนสัตตบรุษไปสวรรค์รวมความว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ยึดเอาตนเป็นที่พึ่งเป็นผู้ปกครองตนเป็นหลักของตนดังนี้ด้วยเหตุนี้จึงควรสํารวมตนระวังตนไว้ให้ดีประคับประคองตนไว้ให้ดีเหมือนพ่อค้ามา้าประคับประครองม้าดีไว้ฉะนั้นเพราะว่าโดยปกติบรรดาทรัพสมบัติและสิ่งที่เรามีทั้งหลายตน นับว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดตนของบุคคลดีย่อมมีค่าประมาณมิได้ส่วนตนของบุคคลเลวย่อมไม่มีค่าเลยยังจะติดลบเสีย อ, อีกพระศาสดาประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปราบพระดังคลระกูตะเถระจึงตัดพระธรรมเทศนาเรื่องนี้มีเรื่องย่อดังต่อไปนี้อ่านออกเป็นภาษาบาลีนะแต่อ่านเป็นภาษาไทยนะ่าจะเป็นพระนางคน รมนุษย์เข็นใจผู้หนึ่งทำงานจ้างเลี้ยงชีพวันหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งเห็นเขาผู้นุ่งผ้าเก่าๆและขาดแบกไถไปไถนาจึงกล่าวขึ้นว่าเธอบวชจะไม่ดีกว่าอยู่อย่างนี้หรือใครจะให้ผมบวชเล่าครับคนเข็นใจถามถ้าเธอตกลงใจบวชฉันจะบวชให้พระตอบ พระเถระพาเข้าไปยังวัดเชตะวันให้บวชแล้วเก็บไถและผ้าเก่าเก่าที่เขาเคยนุ่งไว้ณนะที่แห่งหนึ่งใกล้ศาลาเมื่ออุปสมบทแล้วพระพูนั้นได้นามว่านังคนกูดแปลว่ายอดไถต่อมาพระนนังคนกูดอาศัยลาบสการะซึ่งเกิดขึ้นเพื่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายเลี้ยงชีพอยู่มีสิริระกระัปปีกระเปา๋าผุดผ่องขึ้นกระสันใคร่จะศึก ท่านจึงไปที่โคนไม้ที่เก็บไถและผ้าท่อนเก่าไว้ให้โอวาาตนเองว่าเจ้าผู้ไม่มีฮิริเจ้าอยากจะสึกไปนุ่งผ้าท่อนเก่ารับจ้างเขาเลี้ยงชีพหรือเมื่อท่านให้โอวาาตนอยู่เช่นนี้จิตของท่านได้คลายความกระสันแล้วสองสามวันล่วงไปกระสันขึ้นอีกท่านได้ให้โอวาาตนเองอย่างเดิมก็กลับใจได้ท่านไปไปมามาอยู่บ่อย eyeball. ภิกษุทั้งหลายเห็นท่านแล้วจึงถามว่าทำไมจึงไปที่นั่นบ่อยๆท่านตอบว่าไปสำนักของอาจารย์ต่อมาอีกสองสามวันท่านก็ได้บรรลุอรหตัตผลไม่ต้องไปที่นั่นเพื่อให้โอวาทตนเองอีกภิกษุทั้งหลายไม่เห็นท่านไปจึงล้อเลียนว่าท่านนังคนกูดการไปมาของท่านเป็นประหนึ่งหาร่องรอยมิได้แล้วท่านคงมิได้ไปสำนักอาจารย์อีกกระมัง พระนางคนกูด ต, ตอบว่าเมื่อยังมีกิเลสเครื่องข้องอยู่ผมไปบ่อยแต่บัดนี้กิเลสเครื่องเกี่ยวข้องกับอาจารย์ผมตัดได้แล้วเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ต้องไปสำนักอาจารย์อีกภิกษุทั้งหลายได้ฟังแล้วเข้าใจว่าพระรูปนี้พูดไม่จริงโอ้อวดอรหัตผลดังนี้แล้วไปรกราบทูลพระทศพลให้ทรงทราบ พ, พระพุทธองค์ตัดว่าภิกษุทั้งหลายนางคนกูดบุตรของเราเตือนตนด้วยตนเอง ได้รมกิจแห่งบันปะชิตให้ถึงที่สุดแล้วดังนี้แล้วเมื่อแสดงธรรมได้ทรงภาษิตพระคาถาว่าอัตนาโจทยั ต, ตานังเป็นอาธิมีนัยยะดังพัฒนามาแล้วแต่ต้นอันนี้ก็เป็นคอเกืนใจนะที่คิดสร้างโลกคิดจะครองโลกเนี่ยอันนี้ท่านมีปณิสัยปัจจัย นะเนี่ยว่ามีบุญเก่ายังคอยเตือนได้เนี่ยท่านไม่ไปตามความอยากแต่ท่านไปหาอาจารย์ท่านเนี่ยบางท่านก็จบกับเสียมเนีเอาจอบกับเสียมเป็นอาจารย์นึกขึ้นมาทีไรไปหาเนี่ยมันทนต่อการประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้ก็ไปหาอาจารย์ใหญ่เดินไปได้สติก็กลับมาไปบ่อยเห็นไปบ่อยจน ได้ข้อคิดเหมือนท่านองค์นี้ท่านก็ให้โอวาทตนเองโดยไม่ต้องอาศัยอาจารย์ที่พูดได้แต่อาจารย์ที่พูดไม่ได้ก็เป็นอาจารย์สอนท่านได้เหมือนกัน11ผู้มากด้วยปราโมดพระพุทธภาษิตปราโมดฉะโหูโลโอพิกุปรสรรโนพุทธศาสเนอทิคัตเฉปทังสันตังสังคารูปะสมังสุ ข, ขัง แปลว่าภิกษุผู้มากด้วยปราโมทเลื่อมใสแล้วในคำสอนของพระพุทธเจ้าพึงบรรลุสันตบทเป็นที่เข้าไประ ง, งับสังขารเป็นสุขอธิบายว่าข้อว่ามากไปด้วยปราโมทนั้นหมายถึงปราโมทในธรรมมีความอิ่มเอมในธรรมมีน้ำคือธรรมเป็นเครื่องห่อเลี้ยงจิตความปราโมทในธรรมไม่เหมือนความยินดีในกามหรือความ เออบอิ่มใจเพราะการความพอใจในการเป็นเหตุให้ติดอยู่ในวัตตะส่วนความปราโมทในธรรมเป็นเหตุให้พ้นไปจากการจากภพข้อว่าเลื่อมใสในคำสอนพระพุทธเจ้านั้นคือเลื่อมใสพอใจในคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งปวงกล่าวโดยเฉพาะคือพระหูลานุสาสนีคืออนิจจังทุกขังนัตตาในขันหสมดังคาถาว่า นหิศีละวะตังเหตุอุปั ช, ชันติตถาคตาอัทธคราตีนิปทาสัมพุทเทนะประกาศิตาแปลว่าพระตถาคตทั้งหลายเกิดขึ้นเพื่อประกาศศีลเท่านั้นหาไม่ได้แต่ทรงบติขึ้นเพื่อประกาศแปดอักษรสามบทสามบทก็คืออนิจจังทุกขังนัตตาทั้งสามบทนี้นับโดยอักษรมีแปดอักษร ภิกษุผู้มากไปด้วยปราโมทในธรรมเรื่มใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าเส้นนี้ย่อมบรรลุสันตบทคือพระนิพพานอันเข้าไปสงบระ ง, งับสังขารเป็นสุขเรื่องนี้พระศ า, าสดาทรงสแสดงเมื่อประทับอยู่เวรวันทรงปรารบพระวักริเถระมีเรื่องย่อดังนี้พระวักริเกิดขึ้นในสกุลพราหมณ์ในเมืองสาวัตถี วันหนึ่งเห็นพระาศาสดาเข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีติดใจในสรีระสมบัติแห่งพระพุทธเจ้าไม่อิ่มไม่เบื่อด้วยการมองพระรูปแห่งพระพุทธองค์คิดว่าการบวชทำให้ได้เห็นพระาศาสดาเป็นนิดจึงออกบวชในสำนักของพระองค์เมื่อบวชแล้วก็ไม่เป็นอันสาธยายพระธรรมหรือมสิกานพระกรรมฐานเพราะมัวเที่ยวติดตามดูพระพุทธองค์อยู่ พระผู้มีพระภาคทรงเห็นว่ายานของพระวกกลิยังไม่แก่กล้าพอที่จะรับพระธรรมเทศนาได้จึงทรงเฉยเสียมิได้ตัดอะไรต่อเมื่อทรงทราบว่าบัดนี้ยานของพระวกกลิแก่กล้าแล้วจึงตัดเตือนว่าวกกลิประโยชน์อะไรด้วยการเที่ยวตามดูร่างกายอันเปื่อยเน่านี้วกกลิผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา แม้พระศาสดาตรัสเตือนอยู่เช่นนี้พระวักริก็มีอาจละการดูพระตถาคตเจ้าได้ท่านเที่ยวติดตามดูไปทุกหนทุกแห่งพระศาสดาทรงดำริว่าภิกษุนี้ไม่สังเวชเสเลยเมื่อวันเข้าพรรษาใกล้เข้ามาจึงเสด็จไปเมืองราชฤก์พระวักกริก็ยังตามดูพระองค์อยู่พอถึงวันเข้าพรรษาพระศาสดาทรงขับไล่พระวกกริก พระวกกะลิว่าวกกะลิเธอจงหลีกไปเสียเถิดพระวกกะลิเสียใจว่าพระศาสดาไม่ได้เอื้อเฟื้อตนจึงต้องการฆ่าตัวตายขึ้นไปยังภูเขาคิชกูด ต, ตั้งใจจะกระโดดภูเขาพระพุทธองค์ทรงเห็นดังนั้นด้วยจักสุทิพตทรงดำริว่าถ้าเราไม่ช่วยวกกะลิจะกระโดดภูเขาทำลายชีวิตตนเองและทำลายอุปนิสัยแห่งมรรคผลเสียพระศาสดาจึงทรงเปล่งพระรัศมีไป เหมือนประทับอยู่ตรงหน้าของพระวกกะรินั้นขณะนั้นเองความโศบอันยิ่งใหญ่ของพระวักกะริก็สลายไปปีติปราโมทเกิดขึ้นแทนพระศาสดาตัดกับพระวักกะรินั้นว่าภิกษุมากด้วยปราโมทเลื่อมใสแล้วในคำสอนของพระพุทธเจ้าพึงบรรลุสันตบทเป็นที่เข้าไประ ง, งับสังขารเป็นสุข ดังนี้แล้วทรงเหยียดพระหัตต์ออกเรียกพระวักกริว่ามาเถิดวักกะริเธออย่ากลัวเลยจงแลดูพระสุคตเราจะยกเธอขึ้นเหมือนคนช่วยกันพยุงช้างที่จมลงในเปลือกตมมาเถิดวักกริมาดูตถาคตเราจะยกเธอขึ้นเหมือนช่วยดวงจันทร์ที่ราหูจับพระวักริเกิดปีติปราโมทอย่างใหญ่หลวงว่า เราได้เห็นพระตถาคตแล้วมีน้ำซ้าพระองค์อย่างตัดเรียกเราจะอีกว่ามาเถิดวัคกฤิเราจะไปเฝ้าพระองค์ทางไหนหนอเมื่อมองไม่เห็นทางไปจึงเหาะไปในอากาศพอเท้าข้างหนึ่งถึงพื้นนั่นเองท่านลึกถึงพระดำรัสแห่งพระศาสดาข่มปีติได้แล้วบรรลุพระอรหัตผลณนะที่นั่นเองต่อมาพระศาสดาทรงตั้งท่านไวในตาแหน่ง เอตะทะทางศรัท ธ, ธาที่มุดคือหลุดพ้นเพราะศรัท ธ, ธาเกี่ยวกับเรื่องพระวกริเป็นตัวอย่างอันนี้ก็ได้ฟังกันบ่อยๆอแต่ก็มีอุปนิสัยปรารหัสนะหรือปรารหันนะี่นชอบสวยชอบงามชอบบุคลิกลักษณะอชอบลูกพระมจ้านะบวชเพราะอันนั้น ไม่ได้บวชด้วยศรัทธาในธรรมแต่ศรัทธาในรูปก็เรียกลูกขับปรมานิกานะีผู้ศรัทธาในรูปนะีบางคนก็ศรัทธาในเสียงโศสะ ป, ประมานิกานะีหรือลูขับปรมานิกานะนะีชอบประพฤตนะิแบบ ป, ปนปรนแบบสมถะเนี่ยเขว่างันะนะนะนะนะแต่ทั้ง3มอย่างนี้พระองค์ก็ไม่ได้สรรเสริญนะี แต่ถ้าใครศรัทธาในธรรมพระองค์ส่งสันเสริญธรรมะประมาริกาเรียกว่าศรัทธาในธรรมปลอดภัยศรัทธาในรูปก็ไม่ปลอดภัยในเสียงก็ไม่ปลอดภัยในความประพฤติก็ไม่ปลอดภัยถ้าศรัทธาในธรรมและแน่นอนเพราะธรรมเท่านั้นที่จะทำให้บทจดจากอาสวะกิเลสได้แต่ถ้าอยู่ในวิสัยของ พระพุทธเจ้าอยู่ในเรียกว่าพุทธวิสัยอะไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยถ้าลำพังไปอยู่ในวิสัยนี่ก็ลำบากเหมือนกันก็ทาให้หลงหลงจนจะฆ่าตัวตายเห็นไหมล่ะถ้าไม่ใช้วิสัยพระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ส2องผู้ยังโลกให้สว่างพระพุทธภาษิตโยฮะเวทะโรภพิกขุยนชติพุทธศสาเสน โสมังโลกังประพาเสติอัภามุตโตวจันทิมาแปลว่าภิกษุได้แลแม้ยังหนุ่มแต่ภาคเพียรอยู่ในพุทธศาสนาภิกษุนั้นย่อมยังโลกให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นอธิบายความหนุ่มหรือความแก่ในพุทธศาสนานั้นไม่ค่อยถือเอาอายุเป็นประมาณ แต่ท่านถือเอาคุ ณ, ณธรรมหรือคุณสมบัติพิเศษในบุคคล น, นั้นเป็นประมาณบุคคลแม้จะอายุมากแต่ไม่รู้ความสิ้นและความเสื่อมของขันทั้งหลายเขาไม่มีความเพียรคนอย่างนั้นย่อมสู้คนที่มีอายุเพียงเล็กน้อยแต่รู้ความสิ้นและความเสื่อมแห่งขันมีความเพียรเป็นธรรมเครื่องอยู่ไม่ได้ ความภาคเพียรในพุทธศาสนานั้นในอัตถกถาทั้งหลายท่านแสดงธุระที่จะต้องภาคเพียรสองแผนกคือ 1. คันธธุระความภาคเพียรในการศึกษาเล่าเรียน 2. วิปัสนาธุระความภาคเพียรในการปฏิบัติวิปัสนาการเล่าเรียนนั้นท่านหมายถึงการเล่าเรียนพระพุทธพจน์ทรงจำพระพุทธพจน์ส่วนวิปัสนานั้นคือการปฏิบัติธรรมทั้งโดยสมถะวิธีและวิปัสนาวิธี สมถาวิธีคือการทำใจให้สงบตามลำดับลำดับวิปัสนาวิธีคือวิธีที่ทำปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อเห็นแจ้งในนามรูปหรือในสภาวธรรมตามความเป็นจริงผู้สนใจพึงทราบอารมณ์แห่งสมถะสีสิบและมหาวิปัสนาสิบแปดมีอนิจจานุปัสนาเป็นต้นพิกษเสวยใดแม้ยังหนุ่มแต่มันภาคเพียน ในพระพุทธศาสนาในธุระทั้งสองอย่างภิกษุนั้นวงเล็บแม้สามเณรก็เหมือนกันย่อมยังโลกคืออัตภาพนี้ให้สว่างหรือยังจิตของตนให้สว่างเหมือนดวงจันทร์ที่พ้นจากเมฆหมอกฉันนั้นเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่นบุพารามเมืองสาวัตถีทรงปรารพสมณสามเณรมีเรื่องย่อดังนี้ สมณสามเณรเป็นสิทธิ์หรือสติงวิหาริกของพระอนุรุทธเถระบวชเมื่ออายุได้เจ็ดขวบเป็นบตรของอุปาากคนหนึ่งชื่อมหาบุญทะพี่ชายของสามเณรชื่อมหาสมณะส่วนสามเณรเองเดิมมีชื่อจุลสมณะแต่ในที่นี้ขอเรียกว่าสุมณะเท่านั้นได้สำเร็จอ ร, รหัตผลในขณะที่ปลงผมนั่นเอง เมื่อบวชแล้วคราวหนึ่งพักอยู่กับพระอนุรุธทธเทระที่กระท่อมอันตั้งอยู่ในป่าในหิมมวันตประเทศคราวนั้นพระอนุรุธทธเทระปวดท้องมากเพราะลมในท้องเสียแทงสามเณรถามท่านว่าท่านเคยเป็นโรคนี้หรือไม่เคยเป็นพระเทระตอบท่านเคยชัญยาอะไรจึงหายฉันเคยดื่มน้ำในสานดาดถ้าอย่างนั้นกระผมจะไปนาน้าจากที่นั้นมา เธอสามารถหรือสามารถครับผมอ๋อฉันรู้จักกับนาคราชผู้เฝ้าสะเขาชื่อปัณ น, น ก, กะเธอไปที่นั่นแล้วจงบอกนาคราชว่าฉันปวดท้องขอน้ำในสะโนดาดมาหนึ่งขวดเพื่อประกอบยาเขาคงให้สามเณรไปที่สะโนดาดนั้นแต่ไม่ได้บอกนาคราชว่าเป็นสิทธิ์ของพระอนุรุทธะมาเอาน้ำไปถวายพระอนุรุทธะ นาคราชโกรธไม่ยอมให้เกิดสู้รกกันขึ้นสามเณรต้องเนรมิตนเป็นมหาพรหมมีอัตภาพสูงใหญ่เหยียบให้หนาคราชจมลงไปในสระแล้วเอาน้ำมาถวายพระอนุรทธเถระพระเถระดื่มน้ำนั้นแล้วโรคปวดท้องระงับไปพระเถระพาสามเณรไปเฝ้าพระศาสดาที่บุพารามเมืองสาวถี ภิกษุหลายรูปเห็นสามเณรเป็นเนรน้อยจึงล้อเลียนเล่นหัวบางท่านจับศีรษะบางท่านจับใบหูบางท่านจับที่แขนเขย่าถามว่าไม่นึกอยากศึกบ้างหรือสามเณรพระาศาสดาทอดพระเนตรเห็นกิริยาของภิกษุเหล่านั้นแล้วทรงดำริว่าการกระทําของภิกษุพวกนั้นหยาบจริงพวกเธอหารู้ถึงอานุภาพของสามเณรไม่เล่นกับอัศรพิษเสียแล้ว วันนี้เราควรทำคุณของสามาเณรให้ปรากฏดังนี้แล้วรับสั่งกับพระอานน์ว่ามีพระประสงค์จะล้างพระบาทด้วยน้ำในสะโนดาดขอให้สามาเณรรูปใดรูปหนึ่งไปนำน้ำในสะโนดาดมาพระอานนเทระให้ประชุมสามาเณรทั้งหมดในบุปผารามถามว่าใครสามารถไปนำน้ำในสะโนดาดมาได้บ้าง ไม่มีใครสามารถยกเว้นสมณะสามเณรภาระการไปนําน้ําจากสะโนดาดจึงตกแก่สามเณรสุมณะมีคําถามว่าในบรรดาสามเณรเหล่านั้นสามเณรที่เป็นขีณาศกไม่มีเลยหรือตอบว่ามีแต่สามเณรเหล่านั้นรู้ว่าพระาศาสดามีพระประสงค์จะแสดงคุณของสมณะสามเณรให้ปรากฏจึงเฉยเสีย สามเณรไปนําน้ําจากสะโนดาดเหาะกลับมาขณะนั้นพระาศาสดาตัดแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูการเยื้องกลายของสามเณรเธองามดุดพญาหงในอากาศ <c oughs> เมื่อสามเณรนําน้ํามาถวายแล้วพระาศาสดาทรงประทานอุปสมบทแก่ท่านด้วยเอหิภพิคุอุปสัมปทาทาัทาง้ทงๆที่ขณะนั้นสามเณรมีอายุเพียงเจ็ดขวบเท่านั้น ได้ทราบว่าสามเณรที่ได้อุปสมบทเป็นพิสุตั้งแต่อายุเพียงเจ็ดขวบมีเพียงสองรูปเท่านั้นคือสมณสามเณรหนึ่งโซโปากะสามเณรหนึ่งเมื่อสมณสามเณรนั้นอุปสมบทแล้วพิสุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าน่าอาัศจรรจริงอนุภาพของสามเณรน้อยมีมากอานุภาพเหียนปานนี้พวกเราไม่เคยเห็นเลย พระศาสดาสเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในศาสนาของเราผู้ปฏิบัติชอบแม้เป็นเด็กก็จะได้สมบัติถิ้นปานนี้เหมือนกันดังนี้แล้วตรัสต่อไปว่าภิกษุใดแลแม้ยังหนุ่มแต่ภาคเพียนอยู่ในพุทธศาสนาภิกษุนั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์ที่พ้นจากเมฆหมอกฉนั้นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น วรที่ี่ชื่อพิกขุวะควันนารวม12บสองเรื่องจบเพียงเท่านี้อายังธรรมกะถาสาธายสมันเตหิสันลเคตัภาตี คนหนุ่มคนน้อยก็ทำโลกให้สว่างนะจะคอยแก่มันมืดได้ห น, นุ่มน้อยมันสามนเนนเจ็ดขวบนะมีอุัยมีอุปนิสัยปัจจัยการศึกษาในพุทธวัจนะมันทำให้เกิดความปีติความปราโมดนะยิ่งเข้าใจแล้วมันจะเกิดความปราโมดเกิดความสุข สมบทันเดยสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเลความสงบนี่มีความหมายลึกซึ้งมีความหมายละเอียดสุขุมลุ่มลึกเพอท่านหมายถึงการสงบจากกิเลสทั้งปวงไม่ได้หมายถึงจิตสงบใจเฉยแต่สงบจากกิเลสเหมืนที่ลองพอชาล้สงบจิตอันหนึ่งสงบ ก, กิเลสอันหนึ่ง สงบจิตด้วยการข่มไว้เท่านั้นเนี่ยแต่สงบกิเลสนั้นสงบด้วยปัญญานปัญญานี่จะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยวิปัสนาปัญญานที่ท่านว่าธุระมีสองอย่างคันตาธุระและวิปัสนาธุระเนี่ยวิปัสนาธุระคือปัญญานปัญญาตัวนี่แหละที่ทำให้เกิดความสงบจากกิเลสเน่นี่ ความสมบูรณ์ในศาสนาก็มีทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งคันตธถาทธุระและวิปัสสนาทุระเนี่ยการตถาทุระเรียนให้รู้แต่อันหนึ่งเรียนเพื่อส่งไว้ถึงพุทธวจนะเพื่อสืบทอดคําสอนนะเนี่อย่างปเิระทั้งหลายที่ท่านส่งคําสอนไว้สืบทอดกันมาจนถึงพวกเราทั้งหลายนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของคันตถาทุระนีในขณะเดียวกันอีกส่วนหนึ่งที่ พระเทระหรือพระสาวกทั้งหลายที่ท่านดำเนินเป็นตัวอย่างมาก็คือวิปัสสนาธุระเนี่ยปฏิบัติจนเห็นผลนจนเกิดอรหัตมรักอรหัตผลขึ้นมาเนี่ยเป็นสกีพยานมาในทุกยุกทุกสมยัยเนี่ยนี่ก็คือความสมบูรณ์ของพระพุทธศาสนาในคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเราบางคน อายุมากบางคนอายุน้อยอายุน้อยก็เหมาะแก่การที่จะศึกษาพุทธวจนะหรือกันตธทุระอายุมากเวลาไม่เพียงพอเวลาน้อยก็จะเรียนรัดโดยวิปัสสนาทุระเลยก็ได้นะแต่การเรียนกันตธาทุระเนี่ยถ้าเรียน เพื่อมุ่งหมายไปทางอื่นก็ทําให้เกิดความประมาทได้เหมือนกันนะมันไม่ตรงกับพุทธวจนะไม่ตรงกับคําสอนไงถ้าเรียนศึกษาตรงกับคําสอนเหมือนสามเณรตัว น, น้อยก็สามารถที่เข้าถึงทําได้บรรลุทําได้เนี่ยพอท่านเรียนเพื่อละเรียนเพื่อการปฏิบัตินะไม่ได้เรียนเพื่อโลกไม่ได้เรียนเพื่อลาภยศนะ เดี๋ยวนี้กลัวศ า, าสนานะ่ไม่เจริญเนะี่ยบางทีบางแห่งก็มีสามะเน้นเยอะแต่มาเรียนทางโลกทั้งนั้นไม่ได้เรียนทางธรรมเลยมาอยู่วัดเพื่อเรียนทางโลกเนะี่ยธรรมะเป็นส่วนประกอบเรียนนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนอกนั้นเป็นเรื่องโลกหมดนี่ไปหลวงพราบางมากนะ็เลยถามคุยกับเขา เขเรียนบางคนก็เรียน 2- อสปีเขาเสด็จออกไปเนี่ก็เป็นธรรมเนียมเพื่อไปเรียนต่อเรียนต่อเรียนวิชาชีพทั้งโลกนี่ยเขาก็เลยมุ่งไปแตทางนั้นจะเรียกว่าความเจริญแห่งศาสนาหรือจะเรียกว่าช่างไรก็ไม่รู้เนี่ยมันเจริญได้หรือเปล่าเนี่ยพระก็เหลือน้อยแต่เนรลูกชาวบ้านเท่านั้นเอง นี่มันก็สู้การเรียนให้เกิดความสมบูรณ์ไม่ได้คือทั้งส่วนกันถ่ธุระวิปัสนาธุระเนี่ยพูดง่ายๆก็เราเรียนแล้วต้องปฏิบัติให้เห็นผลด้วยเรียนเรื่องศีลก็ปฏิบัติเรื่องศีลเรื่องเรื่อสมาธิก็จเจริญสมาธิให้รู้ให้ได้สัมผัสเรียนวิปัสสนาก็ให้รู้เรื่องอ น, นิจจังทุกขนะตาให้ได้สัมผัสทางด้านจิตใจบ้างนี่ถึงจะเกิดความปีติความปราโมดเหมือนที่ท่านกล่าวไว้นะ ถ้างั้นไม่ได้ริมรถไม่เกิดปีติไม่ปราโมดก็ไม่เห็นคุณค่าของศาสนาไม่เห็นคุณค่าของคําสอนเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความเบื่อได้นะถ้าได้ริมรถเนี่ยโอ้ยมันก็มีความสุขมันเบื่อไม่ได้หรอกเนี่ยมันกลัวได้ซ้าไปเหมือนที่ท่านมีอาจารย์สอนนี่ไหมธรรมชาตจิตใจมันก็เป็นเงี้ย พอมันนึกขก้นได้ไปหาอาจารย์หน่อยให้อาจารย์เตือนหน่อยเนี่ยั่นจะเรียกว่าผู้มีปัญญาเนี่ย